ไปต้องมาต้องถ่ายเนี่ยมันมาจากอะไรนะคือมาช่วงหลังเนี่ยเอามาจะพยายามทําความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่ได้พูดความรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่างเดียวไม่ใช่แต่ต้องขยายความออกมาให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะเอามาว่าคําว่าโอปะนัยโกเนี่ยเป็นคําที่สําคัญคือน้อมเข้ามาสู่ตัวเนี่ย เราก็ฟังคําแปลดาดดัดพื้นๆนะไม่น่าจะมีในแยะอะไรนะใช่ไหมโอปัญญิกโก้โน้อมอะไรเข้ามาอืมแล้วน้อมกายเข้ามาสู่ใจเราก็รู้กันแค่นั้นนะโน้มแบบไหนอถามต่อไปน้อมอะไรมาสู่อะไรน้มเข้ามาเพื่ออะไรเราจะน้อมอย่างไรเนี่ยเราไม่เคยถามต่อนะอืมแเราก็ฟังแล้วก็แล้วไปแต่ใช้ถูกไม่ถูกไม่รู้ก็แค่ฟังมาอย่างนี้น สันทิติกโกผู้รู้จะพึงเห็นเองแล้วใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้เห็นเห็นด้วยวิธีใดเราก็ไม่เคยที่จะนำมาวิเคราะห์วิจัยให้มันเห็นแจ้งตราบใดที่เราไม่ทำวิปัสนาคำเหล่านี้มันก็สูญไปวันๆไม่เคยแจ่มแจ้งแก้ใจว่ามันเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมว่าสันทิติกโกผู้รู้จะพึงเห็นได้ด้วยต น, นเองแล้วก็เห็นชั้นเดียวอะ แต่ในความหมายของคำว่าสันนิมันอาจจะเป็นรื่อยๆชั้นเราเห็นได้ชั้นไหนนี่ขึ้นอยู่กับกําลังของวิปัสสนาญาณกําลังของวิปัสสนาสติของเราเนี่ยเราทําได้แค่ไหนเหมือนเหมือนซูมอ่ะมันมีตั้งหลายชั้นนะซูมระดับห้าเมตรซูมระดับสิบเมตรซูมระดับร้อยเมตรซูมระดับพันเมตรยิ่งซูมความถี่สูงขึ้นภาพก็ยิ่งชัดขึ้นอ่า ดาวเทียมมันวิ่งอยู่ข้างบนโลกแต่มันสามารถซูมเอาแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้เห็ น, นชัดได้หลวงพ่อว่าเรามีปัญหาแต่มไม่รู้จะ่วิดีแก่ดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เรามาปฏิบัติวรปัสสนาคือการมาสร้างการซูมให้เห็นชีวิตของเราลึกไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น แต่ว่ามันราคาแพงเพราะอะไรใค่ซูมถ่ายรูปเ น, นี่ยบางทีเฉพาะตัวซูมนะ่ยแพงกว่าตัวกล้องเลยสัมบัยใช่ไหมเป็นพันพันหมื่นหเพราะฉะนั้นตัววิพัฒนายานจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากที่จะขยายสัดส่วนของชีวิตจากนอกที่สุดไปถึงในที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นอันนี้ได้นอกจากคนที่บรรลุวิพัฒนายาน ในวิประน์ชุดที่มารคทั้งแบ่งซูม16ขั้นนะว่าว่าวิปัสนา16ขั้นซึ่งก็เป็นเรื่องหลักวิชาการเป็นหลักของสับของแสงของคำพีตำราเราก็ไม่แจ้งอีกเหมือนเดิมแต่อาตมาก็พยายามนำมาพินิจพิจารณาอยู่เสมอตลอดเวลาที่ปฏิบัติมาเนี่ยพอมันเกิดโอปะนาิโกสันทิธิโกเลมันเกิดทองมันถ้าเราทาวิปัสนา จ, จนชนานาญแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้นจริงชัดเจนเลยแต่ไม่ได้ไปเห็นตัวพระองค์ท่านแต่เห็นสิ่งที่ท่านตรัสรู้แล้วเราก็เห็นตัวเราเองแหละเห็นตามที่เห็นตามจริงที่ท่านตรัสรู้นั่นแหละเห็นตัวท่านแหละไม่ใช่ไปเห็นองค์ของเจ้าชายสิทธัตถะแต่เห็นความรู้ของท่านเพราะท่านก็บอกว่าสิ่งที่แตถาคตรู้คนอื่นก็มีอยู่แล้ว ถ้าเขาจะดูเราต่างจากพูุทธเจ้าอะไรไหมถ้าสี่กันห้าต่างกันไมไม่ได้ต่างแต่เมื่อเราทำไมท่านเห็นตัวท่านทำไมเราไม่เห็นตัวเราเห็นค่ะถ้าเห็นซูมร้อยชั้นเนี่ยเราเห็นได้กี่ชั้นนี่คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองดังนั้นเองเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ ให้ชัดเจนวันไม่ต้องหล้วเพราะหลวงพ่ อ, พ อ, พอบอกตรงวันทุกอย่างจะทำอะไรต้องเตรียมก่อนไม่ใช่ไปเตรียมที่ต้องกระทามันเสียบรรยากาศดังนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาซูมของชีวิตของเราให้มีแรงสูงขึ้นนะแรงสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ที่นี่ว่า เราจะศึกษาปฏิบัติแบบไหนเนี่ยซึ่งก็เราได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติต่างๆรูปแบบที่มีอยู่ณนะปัจจุบันเราก็บอกกันบ่อยๆรูปแบบน้อรูปแบบพุโทโธสัมมาระหังยุคหนอของนาการเคลือ่อนไหวเขาก็นำมาสาธยายแต่ถามว่าแจ้งไหมในแต่ละวิธีการที่เรานำมาสาธยายเนี่ยไม่แจ้งสักอย่าง เพราะเราศรัทธาของเรายัางไม่มัน่นคงความเพียรของเรายัางไม่ต่อเนื่องสติสมถียปัญญาของเรายัางไม่เข้มแข็งถ้าทำไมไม่ทำให้มากขึ้นก็ต้องย้อนไปที่เดิมก็เพราะว่าศรัทธาของเรายัางไม่พอทำไงศรัทธาแล้วถึงจะพอตรงนี้มันช่วยกันไม่ได้จริงๆต้องพัฒนาของใครของมันนะนั้นเองในย้อนมาตรงที่ว่าโอปนัโกอีกครั้งหนึ่ง น้อมอะไรเข้ามาสู่ตัวคือเราเห็นทางนอกอย่างไรก็เห็นข้างในอย่างนั้นเห็นข้างในอย่างไรก็เห็นทางนอกอย่างนั้นนะตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งที่หลวงพอจะยกให้ดูเช่นนาฬิกาเนี่ยเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยการหมุนของไอค้อครอกไมชินที่มันหมุนแค่นี้ที่เราเห็นโดยจักแวดแวดเวย ในระดับเดียวสเกลเดียวแต่ทําไมมันบอกถึงนาทีวินาทีบอกถึงชั่วโมงบอกถึงวันถึงเดือนถึงปีได้อ่แค่สิ่งง่ายๆอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ได้คิดแล้วนะแต่ผู้ปฏิบัตินั้นเห็นอะไรไม่ใช่เห็นธรรมดาต้องเห็นเข้าไปลึกกว่านั้นว่าเป็นเพราะอะไรอ่วัตถุมันทําได้ขนาดนั้นแล้วแล้วไอ้คนที่ทําวัตถุนี่ใครเป็นใครเป็นคนทําก็มนุษย์ ใช่ไหมสแสดงว่ามนุษย์มันมีสิ่งนั้นมึงถึงทาสิ่งนั้นออกมาได้ถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในใจเนี่ยมันทําสิ่งนั้นออกมาได้ไหมไม่ได้นีเพราะมันเกี่ยวข้องมาจากนา ม, มาธรรมมันออกมาเป็นรูปธรรมรูปธรรมออกมาเป็นอย่างนั้นมันจะต้องมีนา ม, มาธรรมอยู่นะแล้วนา ม, มาธรรมนั้นคนที่สร้างนาฬิกากั บ, กบเราในต่างกันไหมไม่ได้ต่างมีรูปมีนามมีขณะแต่เราทำไมเท่าทําไม่ได้อย่างเขา เพราะเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ศึกษาใช่ไหมและเราก็ได้เรียนรู้อีกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมีคุณสมบัติต่างกันบางคนมีวิชา3ามบางคนมีอภิญาหบางคนมีวิชาปฏิสัมพิทา4ี่อาจจะทำไมบางคนไม่มีละ่ะ ท, ท, ทั้งที่คนที่มีกับเราเนี่ยในแง่ของรูปของนามก็ไม่ได้ต่างกันก็เพราะเรายังไม่ได้ทำทำไมยังไม่ทำเพราะศรัทธาของเรายังไม่พอ นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอามาเองก็พิจารณานะี่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะชีวิตของมนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยการที่จะมาเกิดมารู้อย่างนี้อีกอยากเอาทั้งพอเราเกิดมาแล้วมีความพร้อมทั้งท่าสีกัทําำไมเราถึงไม่ทำนี่เป็นสิ่งที่เป็นปริศนา ทีนี้มาดูเรื่องของนาฬิกาอีกทีหนึ่งว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของจิตอย่างไรง่ายๆนะไม่ต้องโยงถึงไอ้กลไกยอย่างอื่นก็แล้วกันนาฬิกาเนะ่มีเห็นตัวอย่างง่ายๆนาฬิกานี่เราไปดูว่าในนั่นนะในโครงสร้างเอามาก็ศึกษาสังเกตนะโครงสร้างที่หมุนวัดวัดแต่มันมีเฟืองอยู่หลายตัวทดกันออกมาถ้าวิ่งเฟืองยิ่งทดใหญ่ขึ้นความที่ ความถี่ของมันก็ยิงช้าลงไปเรื่อยๆใช่ไหมความถี่ของนาฬิกาก็เป็นเฟืองของเข็มนาทีก็เป็นเฟืองเล็กๆมันก็จะเดินไวความถี่ของนาทีก็เฟืองใหญ่ตัวขึ้นมาก็เดินช้าความถี่ของชั่วโมงก็เฟืองใหญ่ขึ้นมาอีกก็เดินช้าลงไปอีกยิ่งทลดออกไปทลดออกไปมันก็ช้าลงไปเรื่อยๆตัวหมุนกลับไปกลับมาของ ตัวจักข้างในเล็กสุดเนี่ยสมมติว่าไปเป็นตัวเกิดดับถ้าสมมุติของจิตนะตัวเกิดดับของรูปของนามที่ทํางานตลอดเวลาตัวเกิดกับตัวดับและตัวเกิดตัวดับถูกทดออกมาเป็นเฟืองออกมาเรื่อยเลื่อยเื่ตั้งแต่การเคลื่อนไหวต่างๆการเคลื่อนไหวของหัวใจการเคลื่อนไหวของซีพีจรเต้นกับเฟืองตัวหนึ่งการเคลื่อนไหวของลมหายใจกับเฟืองตัวหนึ่งการเคลื่อนไหวของอิรลียบดต่างๆ รีบด้วยต่างๆเป็นร้อยเป็นพันมีเฟืองเป็นพันๆตัวในการหมุนของเราเพราะฉะนั้ น, นการยกมือเนี่ยบางคนเฟืองเครื่องจากเครื่องยนต์ตั้งไว้ความถี่เท่าไหร่มันก็จะหมุนเร็วนั้นสม่ําเสมอใช่ไหมแต่เฟืองของด้านจิตใจของนุษย์ไม่เป็นอย่างนั้นมือของเราเนี่ยอาจจะเคลื่อนช้าก็ได้อาจจะเคลื่อนไว้ก็ได้แล้วแต่เฟืองนั้นใครจะตั้งบางคนยกช้าก็แสดงว่า ความถี่ห่างออกมาเห็นชัดบางคนยกไวหมายความว่าเฟืองตัวนั้นมันน้อยลงไปทดน้อยยิ่งทดน้อยลงไปความถี่มันจะสูงเพราะฉะนั้นในรถคันหนึ่งมีมอเตอร์อยู่เดีย ว, ยวๆหมุนในไอ้เครื่องยนต์มันะแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆที่ทําทั่วรถเนี่ยต่างทดออกมาปิดเฟืองต่างๆเท่านั้นออกมาเป็นไม้ปัดน้ําฝนเป็นออตโต้กระจกขึ้นกระจกลงเป็นพัดลมเป็น อแอรเป็นไฟหน้าไฟหลังอะไรต่างๆล้วนแต่ถูกทษออกมาเป็นเฟืองแต่มอเตอร์มันตัวเดียวคือหมุนอยู่อย่างนั้นแหละหรือไฟฟ้าก็มันกันที่ขยายออกไปมอเตอร์มันหมุนอยู่ที่นตัวเดียวแต่ว่าไฟออกมาเป็นร้อยเป็นพันฟังก์ชันอันไหนจะเป็นหลอดไฟนะเป็นคอมพิวเตอร์ไหนเป็นเครื่องจากเครื่องจักรกลไกต่างๆภายในวัดเยอะแยะมากมายการทํำของน้ําของแอร์ของอเครื่องอทำความร้อนกันทําเครื่องเตาไฟต่างๆมีเป็นพันๆฟังก์ชัน แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเห็นแจ้งในวิปัสนาเราจะโอปนะยิโกอย่างนี้ไม่ได้มันคิดไม่ออกเรามีแต่ฟังคนอื่นเท่านั้นแหละเราไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ถ้าเราเห็นด้วยตัวเองเนี่ยมันสามารถเห็นหนึ่งเดียวมันสามารถขยายออกไปเป็นไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเรียกว่าการเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นในอายตนะหกของเราเนี่ยเป็นหกฟังชันหกเฟืองที่ออกมาตัวหลัก และเฟืองของตาเนี่ยมันสามารถทดออกเป็นเฟืองการเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่อไปมากมายนะขยายออกไปเป็นแปดหมื่นสี่พันเฟืองกันแหละนี่คือความซับซ้อนของจิตถามว่าจําเป็นไหมที่จะรู้นึกจําเป็นเพราะอะไรเพราะในการสื่อสารในสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ย ที่จะออกเป็นรูปธรรมการสื่อสารในส่วนปรมัดที่จะออกเป็นสมมุติมันจะเป็นต้องเห็นแจ้งชัดเจนทั้งสองฝ่ายเสียก่อนถ้าไม่เห็นแจ้งชัดเจนทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็จะสื่อไม่ถูกเพราะนามธรรมหรือสิ่งที่เป็นปรมัดมันพูดกันไม่ได้นะเหมือนกับเราจะเอาไอ้ข้อไม่ชีนที่มันหมุนเขานี่ยจะมาบอกถ้ามันมีแต่ตัวมันไม่มีเฟืองตัวอื่นมันจะบอกนาทีวินาทีชั่วงได้ไหม บอกไม่ได้นะชั้นใดก็ดีถ้าจิตรู้สึกกิตคิดอย่างเดียวมันจะบอกขั้นกายวาจาตาหูจมูกลิ้นกายใจใทาหน้าที่ได้ไหมไม่ได้นั้นจะต้องมันมีเฟืองพิเศษในตัวของมันนั่นคือความซับซ้อนของการที่เราได้รูปนามนี้มาซึ่งมีวัฒนาการต่อเนื่องมาหลายล้านปีก็จะเป็นลังกายอันนี้มันได้สร้างความ ละเอียดอ่อนปฏิจจ์ต่อเนื่องกันมาหลายล้านปีเราเป็นซีที่ส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษของเราตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนมาถึงเราเพราะฉะนั้นร่างกายจิตใจรูปนามนี้เราจะประมาทใช้มันสเปสสปะมาได้เลยมันมีหาค่ามันมีค่านับไม่ได้อ่ะชีวิตเนี่ยแต่ทําไมเราใช้ชีวิตของเราอย่างถูกๆไปหลงแค่การมลลมทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปหลงแค่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเย็น เ, เ, เ, เล่ น, ลนไปวันๆมันคุ้มกันไหมกับการมีชีวิตอันวิเศษอันนี้ เพราะฉะนั้นมาเห็นต่างในเรื่องเหล่าเนี้ยมาถ้าหากว่าเราบวชเข้ามาเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ในวัดในวาแล้วไม่สนใจต่อเรื่องเนี้ยถือว่าได้ผิดพลาดอย่างอย่างแรงกล้าแหละอย่างรุนแรงเพราะว่าได้มองข้ามความสําคัญของชีวิตไปหมดนะดังนั้นตั้งแต่มาเข้าใจเรื่องนี้แล้วมาไม่ทำํำ <c oughs> ไม่ได้ให้ความสําคัญ <c oughs> เรื่องหน้าที่อย่างอื่นเลยนอกจากบอกความจริงอันนี้กับเพื่อนมนุษย์แต่โอกาสและเวลา ความพร้อมที่จะบอกเนี่ยมันยากเพราะความพร้อมที่จะเตรียมมันยากเพราะคนมันมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ทําไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละถ้าทํามากไปเขาก็บอกว่าไม่ถูกถ้าทําน้อยไปมันก็มนกไม่ใช่แต่ทําย่างให้พอดีตรงนี้แหละกฎแห่งความสมดุลก็หายากเหมือนกันเมื่อวานตอนที่เลิกแล้วอามาพายมดูคิดเรื่องการสมดุล ปริญปีกนกที่เอามาเอามาแชร่ในไม่รู้ใครใครเอามาแชร์ก่อนเอามาลิแช์ต่อปีกนกปีกเดียวอ่ะที่วางปูปลายไม้อ่ะเราต่อต่อต่อกันไปเรื่อยๆเป็นไม้เป็นสิบอันยี่สบอันโยมสีนวลไม่อยู่ใช่ไหมเด็กๆแต่โยมพิมพาอยู่โยมพิมพาเห็นยังขนลุคขนพองใช่ไหมอะทําได้อย่างไรของที่เบาที่สุดแต่ว่าสามารถรักษาของที่หนักที่สุดเป็นสิบสิบชิ้นได้อ่ะ แต่พ่อของเอาหีิบอของเบาที่สุดออกของทั้งนาำหนักที่สิบพีนล่มทันทีเลยอใช่ยันนี่คือสิ่งที่เห็นนะและจิตของเราที่มันละเอียดประณีตมันลึกซึ้งกว่าน้ำยาขนาดไหนด้วยความไม่มีวิปัสนาญาณเราจึงใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าและประมาทนั่นคือที่มาของคําว่าอาบายพุ่มคาว่านรกคําว่าทุกหนีไม่พ้นอยู่มันเป็นกฎของมันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราได้จเจริญ วิปัสนาญาณอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆนั้นผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะกลับไปกลับมาเออฉันเป็นปฏิบัติอย่างนี้แล้วฉันจะไปทำฉันปฏิบัติเข้าสู่โลกุตตะแล้วฉันเคยกลับไปเล่นกับโลกียะอย่างสงมันเป็นไปไม่ได้คนเคยได้เพชรแล้วต่อไปฉันจะเอาเพชรนีน่ไปแลกเอาไอ้แก้วโปร่งขามเนี่มันไม่มีคิดกันนอกจากคนบ้านะหรือคนไม่รู้จักแก้ว พงขาไม่รู้จักเพชรอันนั้นเลยทำอย่างนั้นดังนั้นเองคําสอนของพุทธเจ้ามันมีคํํานคาว่าไม่กําเริบอากุปธรรมโมถ้ารู้สิ่งนี้แล้วมันเป็นอกุปธรรมโมแต่ถ้ามันยังกําเริบได้อยู่เนี่ยแสดงมันรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงนั่นก็อันตรายกลับไปสู่ที่เดิมอีกซึ่งเป็นเรื่องที่อ้ามให้ความสําคัญทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมาจึงอยู่ไม่ได้ในการที่จะต้องบอกเรื่องนี้ไปมันทั่วโลกนะถ้ามันมีโอกาสได้ไปบอกสิ่งนี้ ในร้อยคนพันคนมันจะมีสักคนหนึ่งที่เข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอมันคุ้มละถ้าเขาเข้าใจได้นะเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องทาบ่อยๆทำเนืองๆเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะบอกความจริงว่าตัวที่เฟืองของชีวิตที่มันทุออกมาข้างนอกเนี่ยเราต้องควบคุมมันได้ ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้น น, นี่คืออันตรายในรถเฟืองตัวใดตัวหนึ่งมันขัดข้องขึ้นมาเป็นไงรถทั้งคันไปไม่ได้แอร์เสียไปไม่ได้ไฟเสียไปไม่ได้เห็นไหมแม้แต่มอเตอร์เตอร์ทางานอยู่แต่เฟืองตัวใดตัวหนึ่งฟังก์ชั่นตัวนึงมันเสียงไปไม่ได้เรื่องนี้ฉันใดแม้แต่การจัดการต่อการการดํารงอยู่ของครอบครัวชุมชนสังคมโลก เกี่ยวเนื่งกันหมดแอปพลายออกไปดังนั้นเองเมื่อเราเห็นต้นตอของความรู้ของผู้ทีเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็ก็ต้องไปบอกว่าเราจะแอปพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ความรู้ที่วิ่งเป็นวิปัสนาในระดับครอบครัวอย่างไรแต่เรามีหน้าที่บอกแล้วนั้นนะเราไม่มีที่บังคับขอให้เป็นอย่างที่เราบอกอืแล้วแต่เหตุปัจจัยส่วนอื่นเราจะใช้ วิปัสนาญาณที่เราเห็นการเกิดดับเนี่เอาไปใช้ในระดับสังคมได้อย่างไรระดับโลกได้อย่างไรเนี่ยบอกได้แต่ใ น, นเมื่อคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยกับเรามันก็เป็นเรื่องเฉพาะเราเนี่ยดังนั้นมีพระพุทธเจ้าระดับหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการพูดเรื่องนี้เพราะมันมันเหนื่อยเปล่าคือพระปัจเยพุทธเจ้าท่านรู้อย่างเราทุกอย่างนี่ยแต่ท่านไม่สอน บางยุคบางสมัยมันไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อให้สอนเรื่องนี้ถึงจะรู้ขนาดไหนก็นตามมันสอนไม่ได้พราะคนฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้จะสอนไปทําไมแต่ยุคนี้สมัยนี้พูดเรื่องนี้ออกไปมันมีคนบางคนพอจะเข้าใจรู้เรื่องไม่ใช่หนวกไม่ใช่บอดกันสมดนะดังนั้นก็พอใจที่จะทำหน้าที่นี้มีคนฟังเข้าใจว่าชีวิตของเราเริ่มจากการแค่เกิดแค่ดับแค่นั้นนะ มันทำไมมันมีอนุภาพขนาดนั้นจนะากการเกิดดับเป็นตัวมอนิเตอร์ที่พระพุทธเจ้าได้สเสวนาจุตูปปัฏฐานนั่นแหะสำคัญในยานทั้งสามปุเพนิวาสานุสนติยานจุตูปปาฏฐานและอสักขรยานตัวจุตูปปปานสำคัญเพราะมันลิงก์ทั้งตัวยานทั้งสองตัวเข้าหากันคืออดีตและอนาคต อดีตคือปุเพนิวาสาในอนาคตคืออสาขกายายานแต่ตัวปัจจุบันคือจุดดูปปัตยานเพราะเห็นการเกิดและการดับแต่การที่เราจะไปเห็นการเกิดดับระดับลึกระดับต้นตอเลยเนี่ยโดยที่ไม่เกิดวิปาาัสนาญาณเสียก่อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงมาเริ่มตัวเกิดดับนอกสุดคือการยกมือเป็นตัวเฟืองนอกสุดการเดินจงกลมเป็นตัวเฟืองนอกสุด การตามลมหายใจเป็นเฟืองดูนอกสุดการเคลื่อนไหวไปจับนุ่างนี้คือเฟืองทั้งนั้นเฟืองของทิทุกทุกทูดออกมาจากการเกิดดับทั้งนั้นแต่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนวิปัสนาจะไม่เห็นอาการเหล่านี้ว่ามันความสัมพันธ์มาจากการเกิดดับก็จะใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่ตามรู้โดยที่ไม่กําหนดโดยที่ไม่ศึกษาเพราะไม่ฝึกฝนเรื่องวิ ป, ปัสนามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปรู้เพราะนั้นหน้าที่ของเราคือว่า ไปกระตุ้นคนไปสร้างศรัทธาให้คนมาสนใจเรื่องวิปัสนาเพื่อที่จะมาดูของจริงอันนี้ว่าที่เราอยู่กับมันทุกวักวนแต่เราไม่เคยเห็นมันนะคนสองคนคนหนึ่งเดินอย่างรู้สึกตัวชัดเจนกับอีกคนหนึ่งเดินฉับๆไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้อะไรเนี่ยค่าชีวิตของคนนี้ต่างกันคนละเรื่องเหมือนฟ้า ก, กับดินคือคนหนึ่งรู้เรื่อง ฟังกชันทั้งหมดของคอมพิวเตอร์บางอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสองคนนี้ก็จะการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะต่างกันคนหนึ่งรู้เรื่องฟังก์ชันเรื่องรถเป็นอย่างดีในระดับช่างผู้ชํานาญแต่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้ไม่รู้เรื่องเลยสองคนนี้ก็จะต่างกันในการใช้รถชันใดก็ดีคนสองคนคนหนึนนน่งคนหนึ่งเป้เจ้าของชีวิตเหมือนกันแต่รู้เรื่องของชีวิตเป็นอย่างดีแต่คนหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ใช้ชีวิตอันไหนมันจะวิเศษกว่า อันไหนมันจะคุ้มค่ากว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเคยไปเกิดเป็นสัตว์อื่นนะไปเกิดเป็นตศาสนาอื่นไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะไม่ต้องว่าไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเกิดเป็นคนนี่แหละแต่ว่าในหัวใจเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะรู้เรื่องนี้ไม่ได้รู้เรื่องนี้ไม่ได้นั้นนหน้าที่ของพะระในาพระศาสนาคือประกาศแล้วประกาศอีกบอกแล้วบอกอีกให้กลับมาศึกษาเรื่องนี้มีหน้าที่เดียวที่เป็นหน้าที่ที่พุทธสาวกจะหึงทําหน้าที่อื่นไม่ใช่ แต่เป็นส่วนประกอบให้เกิดหน้าที่อันนี้แต่ต้องทําทั้งสองอย่างหน้าที่ด้านสมมุติก็ต้องทําหน้าที่ทางด้านปรมัตดก็ต้องทําหน้าที่สังคมก็ต้องทําหน้าที่ส่วนตัวก็ต้องทําหน้าที่สมมุติสังคมมันเหมือนกับเราปฏิบัติต่อหน้าที่ทางกายหน้าที่ต่อส่วนตัวเหมือนปฏิบัติต่อหน้าที่ทางใจสืบสาวไปมามันก็ไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องเกิดเรื่องดับอยู่ดีมาจากฟังก์ชันเดียวกัน แต่ส่วนที่เราจะไปปฏิบัติต่อหน้าที่ทางสมมุติผลมัติได้ดีหรือไม่ดีพอเหมาะหรือไม่พอเหมาะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ชนขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้เรื่องวิปัสนาญาณหรือไม่ตรงนั้นสําคัญยิ่งเราปฏิบัติเรื่องของวิปัสนาญาณได้ดีเท่าไหร่เราก็จะรักษาความสมดุลทั้งสองด้านนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นคลิปเรื่องของปรยาปีกนกเนี่ยมาว่าเขาบรรลุฌาน เขาสามารถทํากับวัตถุได้อย่างแยบขายและเที่ยงตรงในสิ่งที่คนธรรมดาทําไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนคนนี้คนที่แสดงเนี่ยไปทําเรื่องจิตให้หมดกิเลสรักษาความสมดุลมัชฌิมาในจิตให้เกิดขึ้นได้เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันแต่เขานั่นคือบรรลุทางด้านวัตถุคือบรรลุสมถะสามารถจัดการกับวัตถุได้ทุกอย่างแต่ผู้ที่บรรลุวิปัสนาแล้วสามารถจัดการกับเรื่องจิตได้ เพราะมีความละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งกว่าดังนั้นคุณสมบัติที่ว่ารู้วิชาสามอภิ ญ, ญิยกรก็คือเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องมาจัดการเหล่านี้ให้เป็นรูปรธรรมนั่นแหละแต่เงน้นไปตัวคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติสมบทวิปัสานาจะมีความหมายอะไรถ้าเราไม่นํามาประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นรูปรธรรมให้ให้ให้เป็นประโยชน์มีรู้ไปก็ไม่มีความหมายนะดังนั้นเองทานมาจึงบอกว่าเราจึงประมาทกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ ประมาณไม่ได้จึงบอกให้การลุกการนั่งการย่างการเดินคือการศึกษาต่อสิ่งที่ละเอียดที่สุดแต่มันถูกทษออกมาเป็นเป็นเฟืองของชีวิตที่หยาบออกมาตามลําดับดังนั้นม้ส่วนหยาบหยาบเนี่ยยังตามรู้ไม่ได้แล้วสมมุติว่าตั้งแต่นอกสุดไปถึงในสุดหนึ่งพันเฟืองอย่างเนี้นะเพราะไอเฟืองนอกสุดตัวเฟืองที่หนึ่งถึงที่สิบเนี่ยเราก็ยังทําไม่ ไม่ชัดละแต่วฟื่งที่สิบไปถึงฝฟื่งที่ร้อยนะเรจะชัดได้อย่างไรนะดังนั้นอาการอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ที่ปรับความถี่ของการเคลื่อนไหวให้ตัวทศให้ใหญ่ขึ้นคือความชัดเจนให้มากขึ้นอาการก็จะเปลี่ยนไปจากความหุนหันพันเร่นรวดเร็วว่วองไวก็จะเป็นความนุ่มเนียนนุ่มนวลเคลือ่อนไหวอย่างมีจังหวะจากโอนชัดเจน นี่อันนั้นหมายความว่าเขาเริ่มเห็นนะแต่ถ้าหากความนุ่มนวลความช้าความเป็นจังหวะจากโกลทำด้วยความไม่เข้าใจมันก็จะทำไม่ตลอดเพราะมันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะเครียดแต่ทำด้วยความเข้าใจมันจะเห็นความลึกซึ้งละเอียดอ่อนถึงความการเคลื่อนไหวที่เป็นจังหวะจากโกลนิ่มนวลชัดเจนซึ่งตัวนี้จึงอยากจะให้พวกเราได้ได้ศึกษานะได้ศึกษา ดังนั้นลึกๆแล้วในพุทธศาสนานั้นมันเริ่มต้นด้วยปัญญาแล้วจึงเกิดศรัทธาทำทีหลังคือเกิดความเข้าใจซะก่อนแล้วมีศรัทธาที่จะทําอย่างจริงจังแต่ถ้าหากคนยังไม่เกิดปัญญาก็ให้เริ่มต้นด้วยศรัทธ า, าก่อนถ้าเริ่มต้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันเกิดปัญญามันก็ ป, นปัญญามันก็จะนํญญาน เ, นนนเองนะแต่บางคนมีปัญญาแล้วสามารถเริ่มต้นด้วยปัญญาคนที่เริ่มต้นปัญญาได้ไหมครับคนนั้นเริ่มเห็นประโยชน์ นะเห็นประโยชน์เห็นความจริงดังนั น, นมักมีองค์แปดที่เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือเริ่มต้นด้วยปัญญาแต่ว่าในตัวศีลธรรมวัฎธรรมท่านเริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่ในแง่ของปรัชญธรรมทาำเริ่มต้นโดยปัญญาเพรดฉะนั้นเองเราก็จะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนเผื่อว่าในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ จะเป็นมากเป็นผลได้ไม่ยากถ้าเริ่มต้นโดยการเข้าใจซะก่อนตามหลักของอริยมรรคแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยศรัทธาเพราะยังไม่เข้าใจชัดเจนสิ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือการได้ใช้หลักของสุตะมัยปัญญาจินตามัยปัญญาและก็ภาวนามัยปัญญาเข้าไปช่วย คือหมายความว่าได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจสักถามสนทนาไต่สวนเทียบเคียงให้เห็นแจ้งเหมือนกับครูสอนให้ให้เห็นตัวอย่างแล้วเอาไปทําดูนะแต่บางทีบางทีครูสอนแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องถามอีกถามแล้วถาอีกจนเราทําเป็นนั่นก็เรื่อสูตรมายาปัญญาเราไปลองทําเองบ้างเป็น เพื่อเขาเกิดความเข้าใจถูกต้องเป็นจินตามมยาปัญญาเมื่อไปทําแล้วมันเป็นผลออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเรียกว่าภาวนามนยาปัญญานะท่านั้นเอง <c oughs> มาถึงบอกว่าการมีชีวิตอยู่ในสถานที่อย่างวัดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรงเรียนถือว่าเป็นสถานที่ต้องมีระบบระเบียบของมันโดยเฉพาะคือมาศึกษาเรื่องนี้เป็นสถานศึกษาเรื่องวิปัสสนาอืม แต่ถ้าหากว่าเรามาอยู่สถานศึกษาแล้วเราไม่ศึกษาไม่ทําตามกฎระเบียบโรงเรียนเขาก็เป็นยังไงเขาก็มีระเบียบของเขาใช่ไหมคุณเรียนไม่จบบ้างอเรียนคะแนนไม่ถึงเขาไล่ออกบ้างมันมีระเบียบของเขาการอยู่ในสถานศึกษาคือวัดสํานักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องมีระเบียบของเขาแต่ถ้าเราไม่ตามตามระเบียบนั้นเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นโรงเรียนประสบ ไม่ไปสูความสำเร็จสถาบันก็ล้มไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถาบันวัดวาอารามที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี <c> ่ย <oughs> มันจึงไม่เวิร์กในแง่ของเป็นสถานศึกษาเรื่องวิปัสนาถึงเป็นสถานศึกษาทางด้านศาสนาวัฒนธรรมศิลธรรมเท่านั้นนะแต่ในบรรดาสํานักศึกษาทางศาสนาหรือวัดวาอารามะก็มีบางส่วนที่พัฒนาขึ้นมาเป็นสํานักวิปัสนา เป็นสำนักวัดป่าเป็นอาสมการปฏิบัตินะสำนักเหล่านี้ช่วยได้เยอะทีเดียวนะช่วยได้เยอะเพราะว่ามันจะคัดกรองบุคคลที่มีศรัทธาและปัญญาเข้าไปแต่คนมีศรัทธาบ้างไม่มีศรัทธาบ้างก็ต้องอยู่ในระดับของศีลธรรมวัฒนธรรมตามประเพดีอันนั้นก็ต้องมีไว้สำหรับคนเหล่านั้นเหมือนกันนะเพราะว่าการพัฒนาศรัทธาไม่เท่ากันบางคนมีศรัทธามาก บางคนมีศรัทธาน้อยบางคนไม่มีศรัทธาก็ต้องรื้ต้นมาอย่างนั้น <c oughs> อันนี้ต้เราต้องเข้าใจ น, นั้นความเจริญของศาสนาจึงไม่ได้อยู่ที่สานักการศึกษาแต่อยู่ที่การพัฒนาตนเองถ้าเราจะไปหวังให้สานักเหล่านี้มาบอกความจริงมาสอนเราเนี่ยมันยาก แม้แต่สำนักมีปริศนาร้อยสำนักสำนักที่สอนให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เราเราทําได้จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกกี่สำนักนดังนั้นระบบระเบียบภายในเนี่ยเราจึงมีการเออเช้าเราทําอย่างนี้นะสายเราทำอย่างนี้นะบ่ายเราทำอย่างนี้นะเย็นเราทําอย่างนี้นะนนนะก็มีระเบียบของมันเราก็ทำทําตามแต่เราจะอาบอกว่าโอ้งานมันเยอะเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เท่าๆกันระหว่างสมมุติกับปรมะมรระหว่างส่วนตัวและสังคมระหว่างการเกิดและการดับ ระหว่างรูปกับน้ำมันมันถูกขยายออกมาเป็นชัน้นเป็นชัน้นเป็นชั้นอย่างนั้นในเมื่อเราเข้าใจหลักการอันนี้เราก็าจะจัดระบบระเบียบภายในได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าหากว่าในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งถ้านักเรียนทั้งหมดมุ่งแต่เรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานถามว่าโรงเรียนนั้นระสูความสำเร็จในการศึกษาไหมก็ไม่ไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องมีเวลาเล่นและมีเวลาจริงถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาจริงก็จริงแต่ถึง จะเล่นทั้งหมดไม่มีอะไรจริงเลยหุ่นค่อยสอบตกโรงเรียนก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่เข้ามาสํานักปฏิบัติก็เหมือนกันถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาจริงก็จริงเนี่ยอย่งปฏิบัติในยี่สบสี่ชั่วโมงเราเล่นสักครึ่งหนึ่งคุณจะกินจะเล่นจะสนุกสนานก็ว่าไ ป, ไปแต่อีกสิบสองชั่วโมงเรามาจริงก็คือมาศึกษาเรื่องนี้ชีวิตทั้งชีวิตมันจะเป็นเรื่องเล่นทั้งหมดมันก็ล้มเหลวทุกวันมันเป็นอย่างนั้นที่โลกมันเดือดร้อนที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะคนต้องการที่จะเล่นมากกว่าจริง คนจริงมีน้อยลงน้อยลงโลกก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเราจะมาค omplain โอ้ทำไมมันทุกอย่างนั้นทำไมมีปัญหาอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีใครต้องการจะจริงเท่าไหร่โลกมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องต้องสาวเข้าไปนั้นผู้รู้จริงท่านก็ไม่ได้โวยวายกับปัญหาสังคมเพราะท่านรู้ว่าที่ไปที่มาโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้า ไม่ให้เป็นอย่างต้องไปแก้ไขว่าจะทําไงให้คนจริงจังมากขึ้นนะจริงจังในทางที่ถูกที่ควรคนจะเป็นอย่างไรจริงจังที่ไม่ถูกไม่ควรคนจะเป็นอย่างไรเล่นในทางที่ถูกที่ควรคนจะเล่นอย่างไรเล่นในทางที่ไม่ถูกไม่ควรคนจะเล่นอย่างไรเนี่ยก็ศึกษาในรายละเอียดอีกนะดังนั้นเองในครอนี้มาไม่ไม่ต้องการอะไรมาต้องการให้เข้าใจว่า ตัวการเคลื่อนไหวทั้งหมดมันคือเฟื่องแต่และตัวที่ทดออกมาจากการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของจิตมันเป็นนามธรรมดังนั้นรูปก็คือนามนามคือรูปเพราะว่ากันแล้วแต่ว่านามเป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวจึงเรียกว่าเป็นนามและปรมาทรูปเป็นปลายเหตุของการเคลื่อนไหวจึงเรียกว่ารูปหรือเยสมมติถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ การเคลื่อนไหวทั้งหมดต้องอยู่ในความเหมาะสมความเหมาะสมที่จัดการเรื่องลุกเรื่องน้ำเรื่องการเคลื่อนไหวเหมาะสมต้องมีวิปาาัสนาญาณก็จะต้องมาเรียนกันอย่างนี้แหละมาเรียนกันว่าจะทําอย่างไรที่จัดการมาได้การลุกนั่งอย่างเดินควรจะลุกนั่งอย่างเดินอย่างไรที่จะเห็นการเกิดดับที่มันเน้นอยู่การเคลื่อนไหวเคลื่อนอย่างไรที่จะเห็นการเกิดดับเราก็เน้นกันทุกวันแล้วก็เราไปตามเคลื่อนไหวดูถ้าหากว่าเรามี ใช้การเคลื่อนไหวอย่างมีสติสัมัจญาณนั่นหมายความนั่นเรามีวิปัสสนาเข้าไปจัดการแล้วการเคลื่อนไหวในการเดินก็ดีสร้างจังหวะมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีระบบระเบียบในการจัดการมันก็มีปัญหาง่วงบ้างขี้เกียจบ้างเบือ่อบ้างเซ็งบ้างคิดฟุง่งซ่านบ้างหงุดหงิดบ้างลำคากบ้างนั่นหมายความว่าเราไม่ได้สนใจที่ศึกษารเรื่องนี้ปัญหาต้องเกิดแน่นอนเพราะเราก็จัดการไม่เป็น เพราะอะไรเพราะว่าตัวสติสัญญะซึ่งเป็นเฟืองนอกสุดนะเป็นตัวที่แก้ไขง่ายที่สุดเรายังทําให้เกิดไม่ได้เลยแล้วเฟืองตัวในที่สุดระดับญาณระดับปัญญาวิชาสามอะไรต่างมันจะเกิดได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวง่ายๆที่สุดระดับสติสัมญญาที่ว่าง่ายๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ใส่ใจที่ศึกษาดังนั้นเรื่องนี้จึงขอฝากไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะมาฟังในวัดอย่างเดียวแม้แต่ออกไปนอกวัดอยู่กับบ้านเราก็ศึกษาได้ เราจะไปบอกว่าโมันงานเยอะสิ่งที่ลองผี่ชอบไม่มีเวลาปฏิบัติพูดไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กับเรามันไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่เราจะใส่ใจศึกษาหรือไม่สมมุติว่าโอเคละเราเห็นการเคลื่อนไหวของเราเราควบคุมฟังก์ชันของการเคลื่อนไหวต่างๆควบคุมเฟืองต่างๆได้แต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะสมมุติว่าเราจะเข้าไปในกลุ่มของคนคนนี้ยมีเพื่อนห้าคนสี่คนคุยกันถามเรื่องนั้น เ, เรื่องนี้ใน เราเป็นหนึ่งในสิบอะอีกเก้าคนเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเราจะไปดีวเราจะไปเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้อย่างไรโดยที่เราไม่เสียหลักการโดยที่เราไม่เสียหลักในการปฏิบัตินี่คือความเข้าใจเท่านั้นจะทําได้ถ้าไม่มีความเข้าใจแน่นอนไอส้สอีกเก้าคนมันต้องทําให้เกิดปัญหาแน่ใช่ไหมทีนี้เราจะทําอย่างไร ถ้าเรารู้ตัวเราเองที่จะเกี่ยวข้องบุคคลอีกเก้าคนในครอบครัวของเราอย่างเหมาะสมโดยที่ไม่ขาดไม่เกินเนี่ยเราจะทํำยังไงอันนี้เป็นสิ่งท้าทายมากว่าจะสามารถรักษาภูมิธรรมภูมิปัญญาของเราให้คงที่ได้ด้วยและสามารถรักษาความสัมพันธ์ในคนกลุ่มนั้นได้ด้วยลักษณะที่บัวไม่ช้าน้าไม่ขุนอันนี้คือความยากของการปฏิบัติ แต่เอาละในเก้าคนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้มันถูกใจทุกคนกับเราหรอกถูกใจสักครึ่งหนึ่งขึ้นี้สักหาคนขึ้นไปก็ยังดี mm. ก็ถือว่าใช่ได้แล้วใช่ไหมอีกสี่คนมันอาจจะไม่พอใจกับบุคลิกของเราเพราะมันไม่สามารถจะไปสนองตัาหาของมันได้ทุกคนใช่ไหม mm. แต่มนุษย์มันมีเหตุผลถ้าพูดด้วยเหตุผลด้วยความจริงให้ชัดๆแล้วมันเข้าใจอย่างเมื่อก่อนนะนักการเมืองคนหนึ่งเขาถือมังสวิรัติไม่คิดเล่าวิกินยาแต่เขาต้องเป็นระดับผู้นําระดับหัวหน้า เขาจะทำอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ใต้คําบัญชาต้องกินต้องดื่มต้องเล่นเหมือนคนทั่วไปเขาก็ไปร่วมได้เหมือนกันแต่เขาก็ดื่มอีกแบบนึงกินอีกแบบหนึ่ง ก, ก็ร่วมงานกันได้บวกไม่ใชาให้คุณขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีปัญญาไหมนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องท้าทายการฝึกฝนวิปัสสนาก็คือการฝึกฝนปัญญาในการใช้สมมติการใช้ปริมัตรให้ถูกต้องนั่นเอง แต่ถ้าเราจะเป็นผู้นําทางสังคมโดยที่ไม่ฝึกฝนวิปัสนาปัญญาให้เข้มแข็งแล้วข้อผิพาดมันมีเยอะแยะแล้วก็บอกโอ้มันเป็นปัญหาเครียดไม่เอาแล้วเลิกแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะมาบีบคั้นบีบคั้นกดดันเราอยู่ทุกวันมันไม่เป็นผลดีต่อจิตใจของเราชีวิตเราเกิดการกดดันใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันมีปัญหามันมีสิ่งที่ต้องเผชิญเนี่ยต้องเร่งทําวิปัสนาให้มาก <c oughs> เพื่อจะไปดิลเพื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเบื่อหน่ายหวาดกลัวเลิกหรือเลิกล้มแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเราเกี่ยวข้องด้วยร้อยคนก็ร้อยปัญหาเกี่ยวข้องด้วยพันคนก็พันปัญหาในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องมาเหมือนกับเราจะต้องนําคนพันคนเดินทางกับเราโดยที่ไม่หลงทางอย่างเราเป็นผู้นําต้องมีแสงสว่างในการนําแต่ถ้าเรามีไม่มีแสงสว่างันการเอาคนที่ตามเราข้างหลังเราก็ไปผิดหมดนั่นคือปัญหา ตัววิปัสนาจะช่วยเราเป็นแสงสว่างในการชี้นานั่นหมายความว่าใจต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอย่างเหมาะสมโดยที่ไม่เสียจุดยืนของเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะถ้ะนั้นโยมเป็นผู้นําในครอบครัวโยมก็ต้องทําวิปัสนามากขึ้นเพื่อจะนําครอบครัวไปอย่างสงบและราบรื่นนะแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีวิปัสนาอยู่ในใจแน่นอนก็เป็นตัวปัญหาเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันนะ แต่นั้นเองการเปิดอบรมวิปัสนาทั่วไปเอามาไม่ได้ต้องการคนมากต้องการคนตั้งใจอาจจะสามคนห้าคนเจ็ดคนก็ได้แต่ในร้อยคนพันคนถ้าคนตั้งใจจริงๆถูกถูกเนี่ยมันไม่มีหรือมีน้อยมากไม่คุ้มกันเหนื่อยเปล่าเอามาไม่ต้องการอย่างนั้นนะท่านโพธิธรรมที่ไปเผยแพร่เมืองจีนตั้งหลายปีคนที่มาเริ่มสายปฏิบัติตั้งหลายร้อยหลายพันคนแต่ในที่สุดท่านได้ลูกศิษย์คนเดียว แต่รูปสิคนนั้นสามารถสืบสอดคําสอนของท่านมาได้จนถึงปัจจุบันอันเนี้คนจริงเนี่ยจะช่วยเราได้ตลอดไปแต่คนไม่จริงเยอะร้อยคนพันคนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่ถล่มเราให้หนักลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องการคนจริงเราสอยหาคนจริงจริงด้วยศรัทธาจริงด้วยความเพียรจริงด้วยสติจริงด้วยสมาธิจริงด้วยปัญญา นะครับว่าจริงในที่นั้น <c oughs> ตอนนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกเอามาไปไปพูดที่ไหนไปสอนที่ไหนไม่เคยเบื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่ที่เห็นแจ้งในใกายในใจของเราแล้วเราก็เห็นแจ้งในกายในใจพูดว่ามันเป็นอย่างเราแต่เรายังไงถึงจะไปจัดสรรมันใหม่จัดไปฟังก์ชั่นมันเข้าที่เข้าทางอันนั้นคือหน้าที่ของเราแต่ถ้ามีหลายคนช่วยวันก็ยิ่งไปได้ไกลน ะ, ะเดี๋ยวโยงคนนั้นก็รู้อย่างธรรมาพระองค์นี้ก็รู้อย่างแต่มะก็ช่วยกันมัน การขยายกว้างมันก็ไวขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ารู้อยู่คนเดียวคนอื่นพูดไปคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขาก็รำคาญเขาก็เบื่อเราในที่สุดก็ไร้สาละแล้วก็เหนื่อยเปล่าใช่ไหมเขาก็เกลียดเราทั้งหืมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผลดีนะเราก็ต้องพยายามนะพยายามที่จะทําไปว่าเราต้องการเพื่อนห้าคนสิบคนจ่เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนเหมือนกันเนี่ยการทํางานเป็นทีมมันก็จะเกิดขึ้นการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีพลังต่อ สังคมต่ อ, อบ้านต่อเมืองต่อโลกมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละนั่นคือประโยชน์และความสุขหลวงพ่อพุทธทาสถึงกับกล่าวว่าในโลกนี้ถ้ามีพายโสดาบันเพียงย0สเอร์ซโลกนี้จะเย็นทั้งโลกเลยว่า<ม>แค่ย0ิเซนท่านั้นนะไม่ถึงไปถึงหสิบอร์เซนตหมายความคนระดับตั้งแต่พายโสดาบันขึ้นไปจะมองเรื่องนี้ออกโอปัญิโกเป็นสันทิธิโกเป็นนะมันก็จึงต้องพยายามแล้วพยายามอีก เผื่อว่าก่อนที่ชีวิตมันจะเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นเราประมาทเวลาพ่อชีมันสามารถจะป่วยจะได้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะในช่งที่มันไม่ป่วยไม่ตายไม่เจ็บเนี่ยทาไมาไม่ต้องรีบศึกษาให้มันชัดเจนเพราะว่าไอ้ความเป็นความตายไม่ใช่เลือกแต่ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมไม่ใช่เด็ ก, ดกมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแม้แต่เด็กๆก็ประมาทไม่ได้ต่อชีวิตในช่วงที่เรามีโอกาสช่วงเรียนเวลาต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนไว้ก่อน ไอ้ความที่เราจะไปข้างหน้านะ่ยมันมีอีกเยอะแยะแต่ถ้าเราได้สิ่งนี้ไว้ก่อนเหมือนเราก็ได้ดวงตาได้แสงสว่างไว้ก่อนเราจะไปที่ไหนมันไม่ยากเลยแต่ถ้าว่าแสงสว่างและดวงตาของเรายังไม่เปิดเนี่ยไปข้างหน้าก็มืดไปเรื่อยๆแล้วจะไปทําไมก็ไปตายเท่านั้นเองงคือไปทุกเท่านั้นเองที่ไปทําไมนะดังนั้นเองอมาไปที่ไหนก็ทําหน้าที่เรื่องนี้แหละที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องยาก ที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่แต่มันอยู่ในวิสัยที่เราจะเข้าใจได้แต่ฉันยังไม่เกิดศรัทธาในตัวคุณเท่านั้นเองคุณทําได้ไหมฉันใช่คุณบรรดาได้เกิดศรัทธาตรงนี้เราต้องทําหน้าที่แล้วแล้วอีกนะแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องมีคนที่มีบุญมีวิสณามีปัญญาที่จะฟังเรารู้เรื่องได้แต่เราก็ต้องช่วยกันไปเป็นเพื่อนกันไปที่เรียกว่าการยานมิตรจริงๆแล้วมันไม่มีครูบาอาจารย์ พุทธิเจ้าบอกว่าถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนเพราะเขาว่ากัลยาณมิตรมันสูงกว่าครูบาอาจารย์มันสูงกว่ า, า, า, วาลึกๆแล้วเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ทําอะไรด้วยความเกรงอกเกรงใจทำอะไรได้วยความเอาจิตเอาใจกันแต่ถ้ากัลยะาณมิตรคือมีความปรารถนาดีต่อกันมีความจริงใจต่อกันมีความเห็นในสิ่งเดียวกันเนี่ยมันสูงกว่าบางทีสูงกว่าครูบาอาจารย์ดังนั้นเราเป็นกัลยาณมิตรพุทธิเจ้าท่านก็บอกว่าเราเป็นกัลยาณมิตร นะอาศัยเราเป็นกรารยนานมิตรแล้ว่ในประมะราภิรยนานมิตรสูตรผู้ใดอาศัยเราเป็นกรารยนานมิตรแล้วผู้นั้นจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็ บ, ค ว, บความตายได้ท่านบอกไว้ชัดเลยนะอาศัยเราเป็นครูบาอาจารย์นะเราเธอจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่าไม่ได้บอกอาศัยเราเป็นการยานมิตรเพราะฉะนั้นเราการความเป็นการยานมิตรสูงกว่าเราก็เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่ จริงใจที่เข้าใจในสิ่งเดียวกันถ้ายังเป็นในสิ่งเดียวกันไม่ไก็พยายามแค่ น, นั้นเองเรายังไม่รู้อย่างท่านก็พยายามที่จะรู้อย่างท่านนั่นแหละเรียกว่าเราพัฒนาตนเองเป็นกัลยาณมิตรได้ตลอดเวลานะการเป็นครูอาจารย์ให้าะว่ากลับเขาไหวโดยคือเขาไม่มีความเข้าใจเราเลยโดยเป็นเรื่องไร้สาระบางทีเขาเหยียบเราสูงด้วยซ้าไปถ้าเราทำอะไรผิดพลาดขึ้นมานะแล้วที่สิ่งเหล่านี้เอามาจึงเล่นไม่ได้ ใครจะมาบอกเออเล่นบ้างนะ้ะมันไม่ได้คือเราเล่นความจริงอย่าไปเล่นในความเลีวไหลไเล่นในความเลียวไหลไม่เสียเวลาเล่นในความจริงเยมันไม่เสียเวลานะความจริงมีหลายระดับความจริงในระดับสมมุติเราก็เล่นได้ความจริงในระดับประมาทเราก็เล่นได้ถ้าจะเล่นนะต่เล่นให้เป็น <c oughs> นะเพานั้นในจุดนี้ที่เน้นที่ย้ําเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าชีวิตของคุณสั้นนะ คุณอยากจคิดว่าคุณมีอายุ80ปีร0อปีบางทีคุณอาจจะมี10ปี20ปีคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุตายทันทีทันใดโดยที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนคุณอาจจะหัวใจวายคุณอาจจะเกิดดนแพ้ยาแพ้อาหารหรือว่าเกิดเจอไวรัสเจออะไรต่างๆที่มันทําให้เกิดตายปัจจุบันทันด่วนได้ตลอดเวลา นี่ที่ว่าชีวิตมันสั้นมันสั้นอย่างนั้นเดี๋ยวอ้างว่าอันนี้สาิบท่านเจ้าสําเร็จอันนี้สีิบท่านจะสำเร็จท่านจะสาเร็จในนีห้าสิบท่านสําเร็จหกสิบท่านสํเาสเร็จอันนี้ไม่ได้คิดเอาได้แต่ว่าจริงๆไม่ได้เพราะว่านั่งรถไปพึ่งเดียวเนี่ยไปเลยเห็นไหมหรือนั่งเครื่องบินไปปุ่งเดียวเนี่ยไปเลยใช่ไหมเราคาดการล่วงหน้ามาได้แต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรารู้เรื่องนิสักนิดได้ไหมนะอย่างน้อยที่สุด ในนาทีสุดท้ายที่เกิด อ, อะไรขึ้นเรายังได้ตั้งสติได้เมื่อคนเราตายยังมีสติและโอกาสที่มันไปสู่โลกภพภูมิที่ดีกว่ามันมีแต่ในขณะที่เราขาดสติในขณะที่เราจะเป็นอะไรไปตรงนั้นเราไปสู่อาบายภูมิแน่นอนเราจะหมุนกลับมาไอโลกความเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินี่คือเราประมาทไม่ได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้จึงขอขอฝากเอาไว้อย่าไปท้อถอยนะอย่าไปท้อถอย เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายเลยพระพุทธเจ้าถึงจัดไว้สี่อย่างสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนะั้นหนึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์กิโฉมนุสสปเรลาภะาภโหสองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะให้มันสบายกายสบายใจตลอดชีวิตเป็นเรื่องยากที่สุดสามการที่ได้ยินฟังอัดฟังธรรมเป็นเรื่องไปแล้วที่เปลี่ยนชีวิตแล้วได้เนะี่ยยากที่สุดสี่พุทธากิโฉพุทธานุโมท ป, ปาโท การที่เราให้เกิดพุทธภาวะในใจอย่างแจ้งสว่างโลงที่ไม่สงสัยก็ยากที่สุดสีข้อจำอาไว้กิโฉมนุสสปิฏิลาโภกิชังมัจจานชีวิตังกิชังสัตธมัสสวนังกิโฉพุทธานาุปปถุนี่กิจที่ยากที่สุดที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้ท้งที่เราทำได้ยากคือหนึ่งเราได้ระส่งผสลสาเร็จหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์สองพบปพุทธศาสนา สามได้พบกัลยะาณมิตรสีได้ปฏิบัติตามสิ่งที่กัลยะาณมิตรสอนเราได้เนี่ย <c oughs> เอาแค่นี้ง่ายง่าย <c oughs> มันก็จะทำให้เราอย่าง น, น้อยก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าปลอดภัยละร่างกายและจิตใจของเรานะท่านั้นหลังจากรู้เรื่องนี้เอามาเลยประคประคองชีวิตทั้งฝ่ายลูกและฝ่ายน้ำไม่ให้เขาได้รับความ เจ็บป่วยไม่เขาได้รับความเดือดร้อนมีวิธีใดที่เขาจะดํารงอยู่ได้พอช่วยเราทํางานได้เนี่ยเรารักษาในเรื่องของรูปของเราเขาเป็นอีกผู้หนึ่งที่เราต้องดูแลเาขเาผู้จะเอาความอยากใส่เข้าไปไม่ได้อยากจะกินอะไรก็กินอยากจะไปที่ไหนก็ไปอยากจะเล่นอะไรก็เล่นโดยที่ไม่ไม่ใจใส่รูปต่อนนี้เนี่ยอันนั้นแหละมั น, นเป็นวิบากกรรมของเรารูปของเราจะวิปริตผิดแปลกไปต่างๆเพราะฉะนั้นการกินการอยู่การเล่นเราคํานึงถึงเพื่อนของดีๆที่สุด ข, ของเราคือรูป แต่เราในฐานะเป็นนามเป็นเจ้าของชีวิตนี้เพื่อนของเราคือรูปตัวนี้เป็นบ่าวเป็นคนใช้ของเราแล้วต้องดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีอย่าใช้เขาหักหงื่นไปและอย่าให้เขาสบายจนเกินไปเขาจะอ่อนแออ่าและอย่าใช้เขาในทางที่ผิดคืออย่าไปผิดศีลผิดธรรมเขามีระเบียบ ม, มีวินัยก็ก็ฝึกให้เขารักษาไว้บ้างเพื่อความปลอดภัยของเขาเองนั่นคำว่าเขาคือรูปนี่เองรูปของเราเนี่เองไม่ใช่ใครอื่นใช่ไหมอ่า เพราะนั่นเองในจุดนี้นถ้าเราเป็นเพื่อนของตัวเองยังไม่ได้แน่นอนเพื่อนข้างนอกทำลายเรานั่นเราจะต้องเป็นเพื่อนของตัวเองให้ได้ก่อนทำตนเองเป็นเพื่อนของตัวเองให้ได้อยู่คนเดียวก็ให้มีความสุขเรามีเพื่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีคนนี้เป็นเพื่อนเร า, เอาอะไรมาเป็นเพื่อนอยมสีนวล เอาลูกมาเป็นเพื่อนเอาผัวมาเป็นเพื่อนเอาเพื่อนมาเป็นเพื่อนเอาคนทํางานมาเป็นเพื่อนเอาพ่อมาเป็นเพื่อนเอาแม่เป็นเพื่อนเพื่อนเหล่านี้เที่ยงแท้แน่นอนไหมตายกับเราได้ไหมไม่ได้อีกหน่อยก็จากกันไปแต่เพื่อนคนนี้เอาไปด้วยได้ใช้เขาในทางที่ถูกแล้วเขาจะอํานวยความสะดวกกับเราเขาจะสุขเราก็สุขด้วยเขาจะทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยทําให้เขาเหนื่อยเขาก็เหนื่อยด้วยทําให้เขาสบายก็สบายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้สอนให้คนเกลียดขาน แต่ใช้ให้เขามีประโยชน์ เ, เช้าตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บนี่มาช่วยเขาก่อนนะธาตุสี่ดินน้ําลมไฟการออกกําลังกายการสมดุลการทําโยคะถ้าไม่จําเป็นนำมาไม่ขาดเลยแต่ละวันการกินอาหารที่ปลอดสารพิษการได้ดื่มน้ําให้เขาได้พอดีการได้เพิ่มธาตุไฟด้วยการออกกําลังกายได้พอดีเขาสบายแล้วเมื่อเขาเจ็บเขาป่วยเขาไขา้เขาหนาวขึ้นมาต้องดูแล เราจะไปที่ไหนทําให้เราเกิดป่วยเจ็บป่วยไข้หนาวเนี่ยต้องช่วยเขานะไม่ใช่เป็นนั่งตากแดดทั้งวันตากลมทั้งวันตากฝนทั้งวันเพื่อทดสอบให้เกิดบารมีทำมันไม่ได้นั่นทําลายเขาเบียดเบียนเขาแล้วป่วยขึ้นมาเขาป่วยขึ้นมาใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะ น, นั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่นๆ น, นะแต่เราไม่เข้าใจเรายังไม่มีวิปัสสนาไม่เห็นความสําคัญของเพื่อนคนนี้เขาเป็นกระดิณมิดของเรา เราจะใช้เขาก็ได้เขาเขาจะสอนเราก็ได้เราจะสอนเขาก็ได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชีวิตของเราจะกลัวอะไรไหมจะขาดเพื่อนไหมไม่ต้องหาเพื่อนข้างนอกเลยแต่เราเป็นเพื่อนของตัวเองได้ดีเพื่อนคนอื่นเขาก็อย่าเป็นเพื่อนกับเราด้วยอทั้งโลกก็เขาอยาเป็นเพื่อนกับเราแต่เรายังเป็นเพื่อนของตัวเองไม่ได้อ่ะคนที่เรารักที่สุดคือกายเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนของกายที่ดีไม่ได้แล้วใครจะมารักเราเขาก็เบื่อเราเท่านั้นแหละนะ เพราะฉะนั้นนะเอาเรื่องนี้ไปคิดไปพิจารณาไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันเท่านั้นนะไม่ใช่ไปลมเ ป, เปแรงผ่านไปก็เหนยเปล่านะดังนั้นก็พอจะทำอะไรได้กับกายกับใจที่ให้มันเกิดประโยชน์ให้ทำแต่เกิดประโยชน์ในทางทำนั้นดีกว่าเกิดประโยชน์ทางโลกเกิดประโยชน์ทางโลกนั้นต้องมีความพร้อมหลายอย่างที่ต้งฝึกฝน เช่นมีการศึกษามีความเข้าใจมีการอะไรละอย่างแต่ว่ากับตัวเองนี่ฝึกฝนได้ตลอดเวลาทําให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดเวลานในส่วนทั้งที่เป็นปรมัตประโยชน์แต่ในส่วนเป็นทิฏฐธรรมกัตถประโยชน์สัมปรายณะสัมปรายะดีกัตถประโยชน์นั้นก็ดูเหตุดูการดูะสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตอนไหนทําตอนนั้นแต่ปรมัตประโยชน์เราทําได้ตลอดเวลาประโยชน์ได้สูงสุด นะที่ธรรมะคือประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันสมัยประโยชน์อนาคตนะในส่วนประโยชน์สูงสุดคือตัวปรมต์ตัวนี้ซึ่งเราทํากันอยู่แล้วตลอดเวลานะเพราะในช่วงเช้านี้คือเป็นการสรุปไปในตัวเพราะในช่วงตอนอบ่ายตอนกลางวันแล้ว ก, ก็มาศึกษาอย่างต่อเ น, นื่องดูเรามีเวลาอีกวันหนึ่งนะตอนเย็นแล้ก็จะ